ข้อสังเกตข้อที่สามในกรณีที่ฉันทะเป็นปัจจัยแก่ตันหามันย่อมให้เกิดโทษได้แม้แก่คนดีแม้ว่าคนดีอาจจะไม่เอาตัวตนเข้าไปยึดถือครอบครองความดีที่สร้างขึ้นด้วยฉันทะจนถึงเกิดความเย่อหยิ่งลำพองยกตนคมผู้อื่นหรือลุ่มหลงมัวเมาประมาทแต่บางทีความยึดถืออย่างอ่อนๆเช่นว่า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 จะเรียกว่าคนดีมีทุกข์แบบของคนดีก็ได้และเมื่อทุกข์แล้วก็เป็นโอกาสให้วงจรกิเลสเริ่มหมุนได้อีกโดยอาจเกิดความคุณมัวหมุ่นมองน้อยใจขัดเคืองฟุ้งซ่านหุนหันเป็นต้นอาจทำให้การบางอย่างผิดพลาดหรือขาดความสุขุมรอบครอบเกิดผลเสียได้โดยในย่านี้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 นี่คือจุดที่คนต้องการโลกุตรธรรมและควรให้ฉันท่าทำหน้าที่นำชีวิตไปถึงจุดหมายขั้นนี้ด้วยสำหรับข้อสังเกตนี้มุ่งเน้นจุดผ่านจากสัมปรายกัตถะหรือประโยชน์เบื้องหน้าสำหรับชีวิตด้านในมาสู่ปรมัตหรือประโยชน์ที่เป็นจุดหมายสูงสุด ในเรื่องคนดีก็มีทุกแบบของคนดีนั้นคนที่มีชันธะมากนั้นถ้าตัณหารวมทั้งมานะและทิฐิเข้ามาแทรกซ้อนรับช่วงจากชันทะเข้ารอบงาจิตใจได้ก็อาจทำให้เกิดทุกข์หรือผลเสียหายที่ร้ายแรงได้มากเหมือนกันขอเสนอไว้พิจารณาบ้างบางอย่างเช่นประการหนึ่งเพราะความรักในความดีงามความบริสุทธิ์แห่งชีวิต ตัญหาอาจเอามาผูกเข้าเป็นความรักความยึดมั่นในความดีของตนจนในแง่หนึ่งเป็นเหตุให้คนดีมีความวิตกกังวลมากมายเกี่ยวกับการรักษาความดีงามและความบริสุทธิ์แห่งชีวิตของตนหวั่นกลัวต่อเหตุมัวหมองต่างๆกลัวถูกคนเข้าใจผิดเป็นทุกเนื้เรื่องเช่นนี้มากมายกว่าคนทั่วไปข้อนี้น่าจะนามาพิจารณาด้วยในการศึกษาสาเหตุ ของสิ่งที่จิตวิทยาตะวันตกเรียกว่า g u i l t feeling อีกประการหนึ่งบางคนมีความต้องการอย่างแรงกล้าที่จะสร้างสรรสังคมให้ดีงามหรือสถาปนาความดีงามขึ้นในสังคมแต่ทำไม่ได้อย่างใจปรารถนาหรือประสบเหตุขัดขวางมากก็เกิดความขัดแยง้งยึดมั่นในความเห็นของตนมากขึ้น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 คือความรุนแรงได้เหมือนกันอีกประการหนึ่งระบบงานระบบสังคมหรือระบบการดําเนินชีวิตที่มีการแข่งขันกันมากย่อมทําให้คนเกิดความรู้สึกนึกถึงตัวตนเด่นชัดมากขึ้นจึงเป็นระบบที่ส่งเสริมความยึดถือตัวตนและเป็นเหตุให้คนต้องพยายามทําการในทางที่จะสนองภาวะตันหามากยิ่งขึ้น ระบบเช่นนี้ถ้าใช้ในสังคมที่คนมีพื้นในทางชันทะมากก็จะทำให้เกิดความเจริญก้าวหน้าด้านต่างๆอย่างรวดเร็วแต่พร้อมกันนั้นก็จะทำให้เกิดปัญหาจิตใจมีความกดดันคนมีความทุกข์เครียดความห่วงกังวลกลุ้มใจเป็นโรคจิตกันมากแต่ถ้านาระบบเช่นนี้มาใช้ในสังคมที่คนหย่อนชันทะก็น่าจะทาให้มีความทุจริต ความสับสนฟอนเฟยิงขึ้นที่ว่าน่าจะก็เพราะจะต้องพิจารณาปัจจัยด้านอื่นๆประกอบด้วย